ขน Rabbi, ullah, escola, ah ันสองอิงอาศัยข sa ันสองเกิดข um erm hey, evet ึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามถ้ะจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันธ์หนึ่ง ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขั้นสองและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้น330สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขั้นสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นละ ขันสองอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ติตะสมัตสมุทฐานในรูปอิงอาศัยขันท er ี่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นละขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้น3ามอสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แต่ก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตาวิบากและที่เป็นอพยกตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกาตตารูปอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตวิบากเกิดขึ้น ขันหนึและกัตตารูปอิงอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกัตตารูปอิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นหัตถายวัตถุอิงอาศัยขันเกิดขึ้นขันอิงอาศัยหัตถยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอิงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอิงอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอิงอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น จตแต่สมุทฐานรูปและกตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอิงอาศัยมหาภูตรูรปเกิดขึ้นขันที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอภยากตะกิริยาอิงอาศัททยหทัยวัตถุกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤษเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป อิงอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุกเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานารูปอิงอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้น3าม สภาวธรรมที <statistically formed gra bs> ่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัปยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลและอิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและขันสองอิงอาศัยขันสองและหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัปยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่จิตตะมุถานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลได้อิงอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นและขันสองอิงอาศัยขันสองและอิงอาศัยหัตถวัตถุเกิดขึ้น ตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันท <c esses> <ILY> ี่เป็นกุศลและอิงอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอิงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นละขันสองอิงอาศัยขันสองและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ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 ขันสองอิงอาศัยขันสองแล ะ, ะไทยวัตถุกเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปัจจยาวาล 1. น, นปัจจยานุโลมสองสังขยาวานสุทธนั ย, ย, ยเหตุปัจจัยมี17วเจวาระ อารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอานันทปัจจัยมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระนิตยปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระ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 อธิปัจัยมีสิเจ็ดวาระนาถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยมีสิบเจดวาร ะ, จจาระในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปัจจยาวาลอนุโลมในาานิสัยวาลจบ 2. ปัต จ, จยปัจญจียะหนึ่งวิพังควาลนเหตุตุปัจจัย 334สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถรคตด้วยวิจิเกชฌาและที่ถรคตด้วยอุทจจะเองอาศัยขันธ์ที่ถรคตด้วยวิจิเกชฌาและที่ถรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภัยกฤิเตเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปเองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นอภยากตวิบากและอภยากตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเองอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปเองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะขันสามและกตาตารูปเองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากเกิดขึ้นอละ ขันสองและกัตตารูปยิงอาศัยขันสองเกิดขึ้นหัยวัตถุอิงอาศัยขันเกิดขึ้นขันอิงอาศัยหัตถ์วัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสอิงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอิงอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอยูตุเป็นสมุทฐาน สำหรับลาวสัญญาตตพรมมหาภูตรูปสามเองอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเองอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจะขูวิญญาณเองอาศัยจกขายตนะเกิดขึ้นละกายวิญญาณเองอาศัยกายายตนะเกิดขึ้นขันที่เป็นอหิตกะซึ่งเป็นอัพยกตวิบากและอัพยกตกิริยาเองอาศัยอหไทยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริดเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถอรคตด้วยอุทจจะเองอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเองอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากริดเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่ถอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถอรคตด้วยอุทจจะ อิงอาศัยขันที่ทารกศด้วยวิจิจกชาระที่ทารกศด้วยอุทจัจจะได้อิงอาศัยหัทยวัตถุกเกิดขึ้นในวงเล็บพึงขยายให้พิจดานเหมือนในปัจจยาวาล 2. ปัจจยปัจญจียะสสังขยาบาลสุทธนัย3ามในเหตุปัจจัยมีสี่วาระณอารามณปัจจัยมีหวาระณอธิปติปัจจัยมี17วาระ นอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนาสมมันตระปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญะปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิเตยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนอาเสวนปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนวิปากปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระ นอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระปัจจนียะในนิตยวาลจบ สปัจจญานุโลมปัจจน่ยะเหตุตุทุกกในสอยสามสหณอารมณปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอาทิตปติปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระ นาุปณิเตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนปัชชาตาปาจัยกับกับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนาอาเสวนากับเหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปาจัยมีสิบเจ็ดวาระ นัสสามปยุตตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระโนวิขตปัจจัยกับเหตุุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บย่ออนุโลมปัจญญาในนิจยวาลจบ 4. ปัจจยปัจจนญาอนุโลมนเหตุทุกข์กใน สามอยสามรมณปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระอนันตระปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระสาชาตปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระนิสยปัจจัยกับในเหตุุปัจจัยมีสี่วาระ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 ชานปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระมัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิกขตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิภิกตปัจจัย กับนายเหตุปัจจัยมีสี่วาระในมุงเล็บย่อปัจจนญญานุโลมในนิสัยาวาลจบในมงเล็บที่เป็นปัจจยวานได้แก่นิสัยาวาลที่เป็นนิสัยาวาลได้แก่ปัจจยวานนิสัยาวาลจบ 1. กุตตระติกหาหสังสัทธวาล หปัจจยานุโลมหนึ่งวิพังขวานเหตุปัจจัย338สภาวธรมมรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันหนึ่งเกิดประคนกับขันสามขันสองเกิดประคนกับขันสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิด ประกฏกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยาตวิบาก และที่เป็นอภยากตากิริยาขันหนึ่งเกิดบุรคนกับขันสามขันสามเกิดบุรคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นอภยากตวิบากขันหนึ่งเกิดประคนกับขันสามขันสองเกิดประคนกับขันสองอารามณปัจจัยเป็นต้นสามร้ สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอารมาณปัจจัยเพราะอาธิปติปัจจัยในวงเล็บไม่มีอธิปติปัจจัยในปฏิสนธิขณะเพราะอนันตรัปัจจัยเพราะสมานันตรปัจปจัยเพระาะสหชาตปัจจัยเพราะอัญญมัญญปัจจัยเพราะนิยยตยญาปัจจัยเพราะอุปนิตยญาปัจจัยในวงเล็บบททั้งหมดเหมือนเหตุมูลแะกัใน ปุเรชาตปัจจัย340สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สาเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลขันธ์หนึ่งเกิดประคนกับขันธ์สามขันธ์สองเกิดประคนกับขันธ์สองขันธ์เกิดประคนกับหทัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดปรากฏกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดปรากฏกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลขันหนึ่งเกิดปรากฏกับขันสามขันสองเกิดปรากฏกับขันสองขันเกิดปรากฏกับอภัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็น อ, อัพยากฤิเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยาคตากริยาละกรรมปัจจัย 3ามรสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดบระคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะกรรมปัจจัยละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดบุรคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตละวิปากปัจจัยสามิสา สภาวธรรมที่เป็นอ e ัพยากฤตเกิดบระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอ <pneum> ัพยากฤิตเพราะวิปากปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดบระคนกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากละอาหารปัจจัยเป็นต้นสามสีสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดบุรชนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทรีย์ปัจจัยเพราะชาณปัจจัย พระมรรคปัจจัยพระสัมปยุตตปัจจัยในมงเล็บบทเหล่านี้เหมือนกับเหตุปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยสาม้อยสี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดระคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลละขันสองเกิดระคนกับขันสอง ขันเกิดประคนกับอทัยวัตถุพระวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละขันเกิดประคนกับอทัยวัตถุพระวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัยยากฤตละขันเกิดประคนกับอทัยวัตถุพระวิปยุตตปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้น 346สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะอัติปัจจัยเพราะนัตติปัจจัยเพราะวิกัตตปัจจัยเพราะอาวิกตตปัจจัยในมือเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับเหตุปัจจัย 1. ปัจจายานุโลมสองสังขยาวานสุทธนยัย347เเหตุปัจจัยมีสามวาระ อารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสตยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ กัมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ เหตุทุกกันในสามร้อยอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในมือเล็บพึงขยายเหตุมูลกันในให้พิสดารอาเสวณทุกกันในสร้อยสี่สเหตุปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสามวาระ อนันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระสมานันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระนิสยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระอุปนิสัยปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามบาระ ปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระชานปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนณติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิขตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอวิขตตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระในบุญเล็บย่อวิปากทุกขไนเหตุปัจจัย อารมณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยนันตรปัจจัยสมนันตระปัจจัยสหชาตปัจจัยอญยมัญญปัจจัยนิตยปัจจัยอุปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยชานปัจจัยมรคปัจจัยสัมปยุตตาปัจจัยวิปยุตตาปัจจัยอัติปัจจัยนัตติปัจจัยวิกตปัจจัยวิกตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีอย่างละ 1. วาระละอนุโลมในสังสัทธวาลจบ 2. ปัจจยะปัจจียะหนึ่งวิพังควานนเหตุปัจจั ย, ยห5 1 ส, สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนเหตุปัจจัย ได้แก่โมหะที่ถรคตด้วยวิจิจิชาและที่ถอรคตด้วยอุทจจะเกิดบุรขนกับขันที่ถอรคตด้วยวิจิจิชาและที่ถรคตด้วยอุทจจะสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเกิดบุรขนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดบรขนกับขันหนึ่งที่เป็นนาเหตุกะซึ่งเป็นอัพยกาตวิบากและอัพยกตกิริยา ขันหนึ่งเกิดปรากฏกับขันสามขันสอ ง, สองเกิดปรากฏกับขันสองในปฏิตนที่ขณะที่เป็นอเหตตกะขันสามเกิดปรากฏกับขันหนึ่งที่เป็นอพยกตวิบากขันหนึ่ ง, ง, งเกิดปรากฏกับขันสามขันสองเกิดปรากฏกับขันสองาทิปปฏิปัจจัยเป็นต้นสามยห้าิบสอง สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดบระคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะณอธิปติปัจเพราะนะ ป, ป, จจาะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดบระคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลละขันสองเกิดบระคนกับขันสองนปัจฉาชาตปัจจัามอยห้าสิบสาม สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตละสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระเพ ร, ะพระพาะนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัามรยห้า สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดปรากนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นอกุศล สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอัพยากตกริยาเกิดประคนกับขันธ์ที่เป็นอัพยากตกริยานวิปากปัจจัย35มหสหสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลละ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดพระคนกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยกากตกิริยาในมูลเล็บนักกรรมมปัจจัยและนวิปากับปัจจัยในปัจจานียวิพังสังสัตถวานไม่มีปฏิสนธิมีแต่ในปัจจัยที่เหลือนาชานปัจจัย3ามหห สภาวธรรมที terror, ่เป็นอัพยากฤตเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตเพราะนัชานัจจัยได้แก่ขันสามเกิดพระคนกับขันหนึ่งที่ทรคตได้ปัญจวิญญาณละขันสองเกิดพระคนกับขันสองนมัคคปัจจัยสามอห้าสิบเจสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเพราะนมัคคะปัจจัย ได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นอพยากตะบิบากและอพยากตากิริยาและขันสองเกิดประคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะและนวิปยุตตปัจจัยส5 8สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนาวิปยุตตปัจจัย ได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลละขันสองเกิดพระคนกับขันสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพระคนกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ในอรูปปาวจรภูมิขันสามเกิดพระคนกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลละขันสองเกิดพระคนกับขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดประคนกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเพราะนาวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและได้เป็นอัพยกตกิริยาละขันสองเกิดประคนกับขันสองในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิในวิปยุตตาปัจจัย